การที่เราจำเป็นต้องอบรมต้องฝึกตนบ่อยๆ อ, อย่างนี้เนี่ยก็ให้พากันระลึกให้ได้ว่าเนื่องจากว่าการฝึกตนของเราเนี่ยมันยังน้อยไป เราเราไม่ได้ฝึกตนม า, มากตั้งแต่ก่อนมาคือตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นเนี่ยมาการฝึกฝนอบรมตนนี่มันน้อยไปเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้เนะี่ยเรามันถึงได้สมองทึบในเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมะอันสุ ข, ขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ ไม่สามารถจะบรรลุได้ง่ายๆายทั้งนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกคนนี่แหละมันน้อยไปนึกถึงตนให้มันได้ท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นมากพอสมควรแล้วอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ท่านฟังธรรมท่านก็รู้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 ดูดดื่มในธรรมะนั้นไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็สามารถบรรลุมาผลธรรมวิเศษได้นี่ท่านผู้ที่ฝึกตนมามากนะย่อมเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่ว่าใครๆที่ไม่ได้ฝึกตนมาเท่าที่ควรกว็ามาบรรลุได้อันจะข้างพุทธ เ, เจ้านั่นอย่างนี้มันไม่ถูกต้อง ที่จริงท่านฝึกตนมาตั้งหลายชาติหลายภบมาแล้ว <c oughs> เริ่มแต่เป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้ครองเรือนมาก็ฝึกให้เป็นผู้มีศีลห้านี่มา ก, ก่อนเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์แล้ววันนี้ก็ฝึกให้มีศีลอุโวสด8ค่ำ15ค่าเดือน1 4ครั้งอย่านี้นะแล้วก็ ฝึกตนให้นำตนเข้าไปอยู่ในวัดวาอารามสมทานศิลโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งในในระหว่างที่รักษาโบสสดอยู่ให้นกบฟังธรรมด้วยทำสมาธิภาวนาไปด้วยนี่สำหรับผู้ครองเรือนนะไอ้ <c oughs> อุบายวิธีฝึกตนก็ถือโอกาส เจ็ดวันไปฝึกตนในวัดต่ออารามสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งมีอยู่สี่ครั้งคนแต่ก่อนนับบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาแล้วข้อปฏิบัติเหล่านี้นะดังนั้นน่ะควรพากันรู้แนวทางปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่พระ อ, องค์เดียวหามีได้ แม้พระพุทธเจ้าพราะองค์ก่อนๆมาตัดสัตว์ในโลกก็มีข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนี้เองนะ <c oughs> ก็มีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนามีการฟังธรรมเหมือนกันนั่นแหละสำหรับผู้ที่มีอินทรบารมีแก่กล้าก็ไม่พอใจอยู่ในเพียงข้อปฏิบัติเท่านั้นบ้านี่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 ยิ่งกลัวที่ยังไม่ได้บวชเพราะมันเกี่ยวกับสิกขาบท ว, วีไนหลายมากกล้าที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามวันนั้นเนยก็จําความสํารวมระวังก็จึงที่เข้ากลัวที่ไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนรเพราะฉะนั้นการบวชเป็นพระเป็นเนร น, นี่จึงได้อานิสงส์มาก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 เพราะได้มีโอกาสเต็มที่สำหรับผู้ไม่ประมาทนะถ้าผู้ประมาทแล้วก็ยังว่านั่นแหละถึงจะบวชอยู่สักกี่พรรษาก็ยังเอาชนะกิเลสหยาบๆไม่ได้ก็มีอยู่ท้งไป <c oughs> ดังนั้นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระศาสด า, าก็ทรงแสดงไว้สำหรับคนทุกประเภทอ่า ทุกเพศทุกวัยทรงแสดงไว้หมดเลยเอาเป็นผู้ออกบวชดไ ด, ได้เป็นเครือหัดคลองเลื่อนประทรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการแนะนำให้ทำบุญบริจาคทานด้วยวัตถุสิ่งของที่ตนแสวงหามาได้โดยทางที่ชอบอื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 เช่นนี้นะั้นผู้นั้นย่อมจะอยู่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะจะไปขอร้องใครช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาตนมีอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมานีนเพื่อนก็ไม่ช่วยคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีการเผื่อแผ่เลยอย่างนี้นะ <c oughs> พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้แนะนำพุทธบริษัททั้งหลาย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 พระสงฆ์สามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกการบริจาคทานแก่พระสงฆ์สามเณรนี่นอกจากว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลส่วนตัวแล้วก็ยังเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสานาสืบต่อไป <c oughs> ให้ยืนยาวนานต่อไปเพราะว่า ผู้ที่จะรักษาพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปได้ก็ได้กไดแก่บริษัทสี่เ่าคือภิกษุสามเณรอุบาสกวาสิกาภิกษุสามเณรไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำกลางค้าขายไม่มีสมบัติอะไร <c oughs> พอที่จะมาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ต้องอาศัยปัจจัยจากทายกทายิกา ผู้ครองเลือนบริจาคมาก็จึงเป็นอยู่ไปได้จึงประพฤติพรมจรรย์ไปได้ดังนั้นการที่พุทธศาสตร์าสนาจะมั่นคงยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากไปได้ก็อาศัยบริษัทสี่เหล่าพร้อมใจการอุปถัมภ์บำรุงตามหน้าที่ของตนหน้าที่ของทา ย, ยกหายิกา ปรกอขอนขวายหาปัจจัยสี่มีอาหารอวิธาบาตเป็นต้นนั่นเองเมื่อมีปัจจัยสี่เหล่านั้นมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างอย่างนี้แหละ่ <c oughs> ายพระภิกษุสามเณรเมื่อได้บวชเข้ามาแล้วก็สำนึกถึงหน้าที่ของตนว่าหน้าที่ของผู้บวชเข้ามามีอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าทรง บัญญัติห้ามไม่ให้ทําอะไรบ้างไม่ให้พูดยังไงบ้างแล้วทรงพระอนุญาตให้ทําตามเออย่างไรบ้างอย่างนี้เราก็ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าในพวินัยเนี่ยมีทั้งข้อห้ามมีทั้งข้อทรงอนุญาตเช่นอย่างว่าทรงอนุญาตให้เก็บเทศทางห้า มีเนยใายเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้ยอยอนี่ไว้ฉันได้เจ็ดวันเนี่ยอย่างนี้เก็บไว้แล้วฉันได้ทั้งไม่เลือกการเวลาอันนี้นะ่ะเดี๋ยวนี้แหละที่ทรงอนุ ญ, ญาตแต่ถ้าเลยเจ็ดวันไปแล้วตรงสละสําหรับพระภิกษุเก็บไปอีกต่อไปก็มีโทษอย่างนี้และอื่นอือีก ผู้ศึกษาพระวินัยก็ย่อมรู้ในข้ออนุญาตแล้วก็รู้ในข้อห้ามอย่างนี้แหละเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องศึกษาในสี่ขาบทของตนให้รู้ให้เข้าใจโดยท่องแช่แล้วก็พยายามสำรวมระวังข้อที่ทรงบัญญัติห้ามไม่ล่วงเกินข้อสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึงค่อยทำไปผู้เพียรทายกษา ย, ยิกา ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้เหมือนกันแต่ว่าสิกขาบทที่ห้ามไว้นั้นมันก็มีน้อยกว่านัก บ, บวชเรียก <c oughs> ว่าทรงบัญญัติห้ามเป็นขั้นตอนไปเช่นอย่างว่าสินห้าอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเลย ข้อสินห้านี่ทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ร่วงเกินก็เพราะว่าเมื่อใครร่วงเกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นบาปอืมันเป็นบาปก็จึงได้ทรงบัญญัติจำกัดไปเพียงห้าข้อนี่แหละเพราะว่าห้าข้อนี้ไอบ้บรรดาบาปทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันก็มีอยู่ห้าประการนี้เองแหละส่วนใหญ่นะ อ่าหลักของของบาปนะแต่ทีนี้ส่วนปีกย่อยเนะี่ยมันก็มีออกไปจากนี่แนหะออกไปจากศีลห้าข้อนี้เองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เจ้าจาึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ห้าประการนี้สำหรับผู้ครองเรือนอ่าเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นไปขวนนั้นก็เอา สมทานศีลุโบโสดไปดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเป็นขั้นตอนไปอย่างนั้นสําหรับทา ย, ยกทายิกาจนตลอดจนตลอดถึงมาได้นุ่ง ข, า ว, ขาวโหมขาวโคนผมโคนคิว้วอะไรเข้าไปอย่างนี้ยเออสําหรับผู้หญิงแล้วก็คงจะสิ้นสุดลงนั้นแหละการบวชแต่สําหรับผู้ชายแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปบวชเป็นพระภิกษุสามเณรต่อไป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 เป็นเป็นพระภิกษุสามเณรนี่เป็นอุดมมเพศเป็นเพศอันอุดมเป็นที่กราบที่ไหว้สักการ บ, บูชาของทายกทายิกาดังนั้นพระาศราสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามความประพฤติไว้หลายอย่างเพื่อให้มีความประพฤติเรียบร้อยดีมีจัร ญ, ญามรารยาทดีกวัว ผู้ครองเรือนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วทา ย, ยกทายิกาก็จะไม่ยินดีกราบไหว้สักการ บ, บูชาเช่นอย่างเป็นพระภิกษุสามเณรมาเนี่ยยังแสดงบทบาทแห่งความโกรธโมโหโทโสอะไรออกมาให้ทา ย, ยกทายิกาได้เห็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นนะใครเขาจะไปยินดีกราบไหว้เพราะเป็นพระคำว่าพระนี่เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เผยเสดิฐในที่ต้องไม่เบียดเบียนใครอการแสดงความโกรธออกนั้นมันเป็นการแสดงถึงความเบียดเบียนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะเป็นพระไม่ได้อะจะเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยเป็นพระได้แต่สมมุติตั้งแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเอง <c oughs> แล้วก็ยังสะสมอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนอย่างคารวะวิสัยอย่างนี้นะอะถ้าหากว่าพระภิกษุสองสามเนรูปไหนไปสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยไว้มากเกินประมาณอย่างนี้ยชาวบ้านเห็นเข้าก็คลายศรัทธาเลื่อมใสลงเขาก็ไม่ยินดีที่จะกราบจะไหวไม่ยินดีที่จะถวายทายทานต่างๆ ถ้าหาว่าพระภิสูุสามเณรประพฤติอย่างนี้เป็นส่วนมากแล้วพุทธศาสนาก็จะเสื่อมไปโดยเร็วที่สุดเลยทีเดียวจะไม่ตั้งยั่งยืนอยู่ได้เพราะว่าเมื่อทายุภัิการไม่เลื่อมใสในพระแล้วไม่ทำบุญบริจาคทานแล้วนี้พระก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปทำมาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไปอย่างนั้นเอง วัดวาอารามนี่ถ้าขาดพระภิกษุสามเณรอยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยอ่นั่นแหละพุทธศาสนาจะเติมไปได้ก็เพราะบริษัทธ์สี่เหล่านี้แหละไม่พร้อมใจกันปฏิบัติตามธรรมตา ม, ตามวินยัยตามหนา้าที่ของตนของตนให้เต็มที่อ่หมายความว่าอย่างนั้นพุทธศาสนาจึงได้เสื่อมไป ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจทำหน้าที่ของตนของตนให้สมบูรณ์ให้เต็มที่หน้าที่ของภิกษุสามเณรก็สำรวมในธรรมนาวินัยให้เข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่สำรวมจัร ญ, ญามารยาทไทละมุนละมัมอย่าไปแสดงความโมโหโทโสอะไรกับใครต้องมีขันติธรรมอดกลั้น ต่อคำด่าว่าเสียสีต่อคำกระทบกระทั่งทั้งสางธรรมดาเป็นพระเป็นเนนนะต้องมีขันติธรรมอยู่ในใจเป็นเครื่องประดับใจ เ, เช่นนี้มันจึงจะเป็นที่น่าเลื่อมใสนับถือของทา ย, ยกภา ย, ยิกาหนเพึ่งเข้าใจาก็นในเมื่อพระภิกษุสามเณนรนะยังละกิเลสไม่หมดนี้นะ มันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละอดกั้นไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจได้อ่าเราอาศัยความอดแหละไปก่อนเมื่อเรายังละมันยังถอนรากของมันไม่ได้อย่างนี้แหละแม้ <c oughs> <c oughs> เป็นคารืหัดก็เหมือนกันมีกิเลสเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนนี่นะ มันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์จต้องเอาไปใช้ไปสร้างขันตีความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนให้ได้ถ้าใครไม่สร้างความอดทนนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วผู้นั้นก็จะละความชั่วไม่ได้เลยละความโลภความโกรธความหลงมนี้ให้เบาบางไปไม่ได้เลย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 พิจารณาให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นแบบ น, นี้นะแต่ความโกรธนี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึ่งสอดส่องมองเห็น <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อมันเห็นโทษแห่งความโกรธด้วยอํานาจแห่งปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็จะละความโกรธนี่ให้เบาบางไปเรื่อยๆแล้วแบบ น, นี้นะจะไม่สะสมความโกรธนี้ไว้เลยอ ถ้าใครไม่ใช้ปัญญาพิจารณากิเลสแต่ละอย่างละอย่างนี่ไม่เห็นโทษของมันไม่เบื่อหน่ายมันแล้วละมันไม่ได้พูดอย่างสั้นๆเออเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> พระาะว่ากิเลสเหล่านี้นะก็ใจต่างห่างนี้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันเกิดเองเป็นเองนะไม่ใช่อนะใจชอบใจกับกิเลสล่านั้นก็สร้างมันขึ้นมา อย่างนี้เยทีนี้เมื่อใจนี้ไม่เบื่อมันไม่เห็นโทษของมาันนจะไปละมันได้ยังไงอ่ะตัวเองเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาคิดดูให้ดีไม่มีใครสร้างให้นะตนเองสร้างเอาเช่นอย่างว่าเมื่อใครสแสดงกิริยามารยาทไม่ให้พอออกพอใจนะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยมันก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยนี่คนส่วนมากมากักจะไปโทษคนอื่นนั่นแหละ เออคนนั้นน่มาทำให้เราโกรธแว่าคนนี้นะทำให้เราเสียใจโออย่างนี้เลยเอา้าวเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงอะ่ะ